สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้ที่เราจะได้พบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรายการสรนสนีสนทนาที่ดิฉันสันสนีนาคพง์เป็นผู้ ด, ดาเนินรายการอยู่ที่ FM 106และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านฟังก็จะได้มาอยู่กับเราวันละประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงทุกวันเราจะมีการสนทนาธรรม ในช่วงหลังนะคะส่วนในช่วงต้นนั้นก็จะให้ท่านฟังได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์แบบเต็มๆทุกท้อยทุกคำนะคะที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะจากพระโอษฐ์โดยพระมาร์กชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งท่านจะนำเสนอพระสูตรไปพร้อมๆกับนำการปฏิบัติธรรมให้กับท่านฟังด้วยคะ่ะวันนี้ท่านก็อยู่ณที่นี้แล้วนะคะนมสักการะท่านคะ่ะเจริญพรค่ะก็ จะเป็นเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยความไม่ประมาทการอยู่ด้วยความไม่ประมาท น, นิ<อ>นมนต์เลยค่ะนี่เราวก็มา ป, ปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิกันอีกวันหนึ่งก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะให้เราตั้งสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตหนุดไปคิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ ในอดีตในอนาคตก็ให้รีบละความคิดน่าเสียเรียกว่ารีบละความเพลินและให้ตั้งสติอยู่กับลมหายใจซึ่งวันนี้จะอ่านพระสูตรเรื่องของการอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งอาการของภิกษุ ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งข้อความนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุสำรวมระวัง ซึ่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่จิตย่อมไม่เกลือกล้วในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณและธรรมารมทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาหูจมูกลิ้น กาและใจเมื่อพิกษุนั้นมีจิตไม่เกลียกล้วแล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมีอยู่ปิติย่อมมีเมื่อปิติมีอยู่ปัสสติย่อมมีเมื่อปัสสติมีอยู่พิกษุนั้น ย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราสำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาท นอกจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านยังแนะนำให้เราวางความพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกด้วยซึ่งท่านตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในเมืองนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้ เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำทะตามปัจจัยพวกเธอจะไม่รู้สึกเลยว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะนั้นพระเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของพวกเธอนั้นไม่มีในสิ่งเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอตลอดกาลละนานดังนี้และแล้วก็ปฏิบัติมาได้สมควรแค่เวลาก็ค่อยๆผ่อนคลายอรียบทแล้วก็ออกจากสมาธิได้ แล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้าวันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะท่านอาจารย์คะการตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นนอกเหนือจากการสำรวมแล้วจะต้องวางความพอใจคือไม่ไปยึดว่าอะไรเป็นตัวเป็นตนเพราะพอไปยึดเข้ามันทุกข์ใช่หลังจากที่คือในในการที่เราไม่ประมาทนี้ก็ให้สำรวมแต่หลังจากที่เราวางความพอใจได้เราก็จะสามารถ เ, เดินทางไปสู่ คามหลุดพนได้ในชีวิตประจำวันเราอาจจะพยายามสํารวมให้มากสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วค่ะและใช้ชีวิตแบบเราท่านๆเนี่ยสํารวมได้แน่นอนค่ะน้อมสักการขอบพระคุณเจริญนะคะนั่นก็คือพระมาร์กชาควโรแหง่งวัรนาปะพงลำลูกกาคลองสิบค่ะท่านฟังค่ ะ, ใ น, คะในส่วนของการปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์เนี่ยทรงสรรเสริญและอยู่ในวิหรารธรรมที่เรียกว่าอาณาปานสติ เป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้อย่างมากแล้วก็มีคนพยายามที่จะเรียนรู้เนี่ยได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องท่องแท้คณะสิทธิ์ของพระอาจารย์คริโสโตรทิพโลจึงได้รวบรวมพุทธว จ, จะนะในเรื่องอาณาปานสติที่เป็นคำของพระตถาคตน้ไว้และตอนนี้เราก็มีแจกให้กับท่านวันละหนึ่งเล่มที่หมายเลข0นย์ 269-0006 ติดต่อมานะคะแล้วบอกว่าขอหนังสือในรายการสารนนีสนทนาเนี่ยคุณสรรนิษฐนาคพง์เขาบอกเอาไว้เราแจกวันละหนึ่งเล่มก่อนนะคะพักสะครูเดี๋ยวพบกับพระอาจารย์ไพมูลอภิปุนโนคะ่ะ